พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่7มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าอยู่ที่ใดจงวางตัวแบบปราดอีกไม่กี่วันครั้งหน้าก็เป็นวันเข้าปัญหา แต่ถึงยังไงวันเข้าพรรษาก็ให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆการวางแผนแล้วก็พวกที่จะไปวัดใหม่พวกในครัวก็ตูดูนะับฟอร์มกันไว้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะคงจะมีประชุมหารือกันอกีกรอบหนึ่งจะให้ใครจะเป็นคนไปใครจะเป็นคนอยู่อย่างไร แต่ว่าไปก็ไปพักโั่วคาวเนะ่ไปๆมาๆแต่ว่าถึงยังไงก็การรักษาวัดใหม่เป็นรักษาสำนักจะทำยังไงทุกอย่างต้อก็ต้องได้คิดไว้หมดนะถ้าไม่คิดไว้ก่อนนะไม่ได้จะไปก็ไปแบบไปอยู่มันมีปัญหาขึ้นมาก่อนยังคอยมาทะเลาะปรับปรุงแก้ไขทีหลังมันลำบากพนักงที่จะไปอยู่ทำยังไง ควรจะมีกฎระเบียบไว้พอสมควรผู้ที่จะเข้าไปอยู่ทำอย่างไรเพราะทุกแขนทุกคนไม่ว่าที่ไหนนะมันต้องมีปัญหาทั้งนั้นเพราะคนปัญหามันอยู่กับคนคนมันสร้างปัญหามันปัญหามันมากับคนถ้าคนไปอยู่ที่ไหนมีปัญหาที่นั่น มันปัญหามันเกิดกับคนเพราะนั้นก่อนที่จะไปอยู่ที่ใดมันต้องปรับปรุงตั้งสร้างกฎไว้ก่อนสร้างระเบียบสร้างกฎไว้ก่อนผู้ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ลักษณะอย่างงั้นแต่ขนาดตั้งกฎไว้ขนาดนั้นก็แต่ยังเลอะเลอะเอะยังเลอะเลอะลื่อน พอจะไปจําจี่จำชัยมากก็เหมือนกับไม่ไว้ใจกันมันก็ยากอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ได้เขียนเอาไว้บอกเอาไว้เพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะได้นี่ได้ตั้งกฎกฎติกาอย่างนี้ไว้แล้วมันก็ยังมีหลักยืนยันถ้าเราไม่มีไม่ได้เขียนไม่ได้บอกไม่ได้มีกฎกติกากันเอาไว้เนี่ยมันยากพอมันคนเรานี่ย ชอบฝืนกดกฎกติกาเรื่อยไม่ชอบเขามากดกฎกติกาแต่ตัวเองเน่ยล่วงเกินกฎกติกาเนี่ยเป็นธรรมดาแต่คนอื่นมาล่วงกฎกติกาตัวเองก็โวยวายไงลักษณะอย่างนั้นแต่ทุกคนไม่ชอบกฎกติกาแต่ชอบผลของกฎกติกาเหมือนกสินห้าพระพุทธเจ้า สินห้าพระพุทธเจ้านะใครก็ไม่ชอบให้รักษาสินแต่ว่าพวกทุกคนชอบผลของสินห้าผลของสินห้าทุกคนชอบพอจะอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นจุขเพราะว่าผู้ที่มีสินแล้วอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นจุขแต่ถ้าไม่มีสินละ่ะไม่มีสิน คุ้มครองไม่มีกฎกติกามัญหาอะไรเป็นที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่มีกฎกติกาต่อกันหรือไม่มีกฎหมายต่อกันกนะ็น่ากลัวอีกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อตั้งกฎขึ้นมาแนละ้วต่างคนไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นกฎที่จะต้องรักษา กฎกฎติกาแต่ผลของมันต่างคนก็ต่างชอบทำไมจะว่าอย่างนั้นอย่างศีลห้าปานาไม่ให้ฆ่าคนอื่นไม่ให้ทุบตีทำร้ายร่างกายคนอื่นต่างคนก็ต่างไม่ชอบเพราะบางทีโมโหมาอาจจะตบใช้ต่อยขวาก็ได้ แต่ถ้าว่าใครไปทําอย่างนั้นติดคุกฐานทําร้ายร่างกายของคนอื่นอันนี้ไม่ชอบแต่ว่าถ้าให้คนอื่นมาตบตีต่อยเราเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าคนอื่นตัวเองมีอํานาจตบตีต่อยที่เขาลงโทษเขาชอบไหมชอบเพราะว่าเห็นว่าเขาทําิ เพราะว่าผิดคำนี้มันผิดขนาดไหนบางทีเ็าอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่บางทีเราไม่พอใจในใจด้วยฉันทากติโทสกติโมหกติพยาคติอาจจะอาจจะออกมาจากใจเราก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสรุปแ้วหลายขั้นตอนในการเป็นอยู่อธินาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาสุราใครๆก็ ไม่อยากไม่ชอบแต่ว่าผลของศิลห้ามาพิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากมายมหาศาล ร, ร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันถ้ายุคใดมีศิลธรรมถ้ายุคใดไม่มีศิลธรรมแล้วยุคนั้นจิเกิดร้อนวุ่นวายที่สุดนะเพราะขาดขาดศีลธรรม เนี่ยอันนี้ก็คือเราไปอยู่ในสถ า, านที่ใดมันต้องมีกฎต้องมี ก, ต, มกติกาอยู่ในวัดของเหมือนกันอยู่ในวัดของเราก็มีกฎมี ก, มกติกาการอยู่ด้วยกันปัดกวาดเวลาเท่าไรปินธบาทเวลาเท่าไรชั้นเวลาเท่าใดเวลาเท่าไรหาเวลาสงบสงัดผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็เหมือนกัน ผู้ที่มาอยู่วัดจะเป็นทะเลทลายมันก็ไม่ได้เพราะมาอยู่วัดก็รู้อยู่แล้วมาอยู่วัดทํำยังไงอย่างอาจารย์หมออุดมอาจารย์หมออุดมมาอยู่วัดแต่เป็นอาจารย์หมออาจารย์เป็นกรวาดเราเอาโอวันตินลงตาให้ว่าเอากโอวันตินพวกอะไรส่งไปให้อาจารย์หมอด้วยนะใส่กระติกท่านไม่เคยมา อายุก็พอสมควรแล้วให้ท่านได้ดื่มท่านบอกว่าไม่ต้องครับท่านแล้วก็ท่านบอกกับเด็กที่เอาไปให้เราให้เด็กน้อยเด็กวัดต่อไปไม่ต้องเอามาอะไรนะหนูนะอวกมาอยู่กับพระอ้วกต้องทําอย่างพระอท่านว่าอันนี้พวกเรามาอยู่วัดนยจะไปทําเหมือนกับชาวบ้านได้ยังไง เนี่ยมาอยู่วัดเราก็ทำอย่างพระเพราะมาศึกษามาอยู่กับพระไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในวัดแ ล, ล้วทะเลทรายแถกจะออกไปเวลาไหนก็ออกไปจะมาอยู่ทำไมตรงนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตรงนี้เพื่อมาอยู่ด้วยกฎกระเบียบเพื่อมาฝึกหัดดัดนิสัยเรามาอยู่อย่างนี้ถ้าเราหิวนะเราก็เก็บอาหารไว้ไปทานอาหารเที่ยงก็น่ า, ะนาจะพอแล้ว ว่ท่านฉันมือเดียวท่านยังฉันเราทานอาหารเช้าเลยทานอาหารเที่ยงอีกเราจะไปเก็บกินทั้งวีทั้งวันไม่ได้ผิดกฎระเบียบพอมาอยู่ที่นี่มาเพื่อรักษาศีลรักษาใจไม่ใช่มาเพื่อทะเลทลายอย่างอื่นถ้าเราอยากจะทะเลทลายเร า, าทาไมมาอยู่ให้กฎระเบียบของท่านเสียหายท่านรักษากฎรักษาระเบียบของท่านอยู่ในวัด มาแล้วทําให้อ่อนแอปวกเปียกเสียหายไปอยู่ในที่ใดเสียหายหมดคนประเภทอย่างนั้นพวกนั้นเราเป็นคนประเภทไหนเราไปอยู่นัดสถานที่ใดทําให้ตรงนั้นเสียหายใช่ไหมถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะไปอยู่เพราะอะไรเพราะทำให้คนอื่นกดระเบียบเขาเสียหายไปเป็นตํารวจกับตํารวจนอกแถวตํารวจโรเล่ตารวจไม่อยู่ในกฎระเบียบ ไปเป็นทหารก้าทหารไม่อยู่ในกฎระเบียบไปเป็นข้าราชการแล้วแถวไหนก็ไม่อยู่ในกฎระเบียบมาเป็นพระก็ไม่อยู่ในกฎระเบียบแปลว่าคนไม่มีหลักยืนไม่มีจุดยืนเป็นคนโลเลโลเลหาความสั์จริงในตนเองไม่ได้ไปอยู่นสถานที่ใดหาความดีไม่ได้คนประเภทอย่างนั้นเนะพราะนั้นให้ตรวจตราดูตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ไปอยู่น่าสถานที่ใดต้องรักษากฎระเบียบของเขาต้องศึกษากฎระเบียบวัดนี้เขาทาอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามประเทศนี้เขามีกฎกติกายอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาโบราณเขาว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามนะคล้ายๆเขาว่าให้มีกฎเขามีกฎระเบียบอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขา จะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดถ้าไปอยู่ประเทศฝรัง่งเขากินขนมปังตัวเองก็จะกินข้าวเหนียวให้เขานึ่งข้าวเหนียวไปหาเนึ่งได้ยังไงเพราเขากินขนมปังแล้วก็ต้องกินตามเขาเมื่อเขากินได้เราก็ต้องกินได้เพราะพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นไหมท่านเป็นกษัตริย์พอท่านนี้ไปอยู่ป่าไปอยู่ในป่าไปบินทบาท เขาก็ให้แบบคนขอทานเขาจะรู้จักได้อย่างไรอันนั้นคือศีลธรรเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนะยังไม่มีใบไม้ไม่มีถุงพลาสติกใส่บาตรนะมีแต่เอาหม้อมาแล้วก็ไม่ลูกแกงขี้เหล็กไม่ลูกแกงบอนไม่ลูกแกงกะทิตากลงใส่บาตผสมผสานกันมองดูแล้วก็เหมือนกับอะไรอาหารผสมเออเพียงพอแล้ว กลับมามามองดูอาหารในบาทโอ้เราจะกินได้ไหมเราจะช่วยได้ไหมเนี่ยอาหารเนี่ยท่านก็สอนท่านอีกสิท ธ, ธะตก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราต้องอยู่แบบปาชาแต่บัตรนี้เราอยู่แบบผู้ขอชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเขากินยังไงเขาให้อย่างนั้น เมื่อเขาให้มาเราต้องกินได้เมื่อเขากินอย่างนี้เราจะไปกินแบบรายชาได้อย่างไรเราต้องกินแบบที่เขาให้มาแบบนักพรตนักบวชนี่แหละตัวอย่างเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาดาเนินมาอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะไปอยู่นัสถานที่ใดต้องทัวตาต้องสิ่งเหล่านี้ต้องฟังเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้อย่าให้เขาเลี้ยงยากยาถ้าเขาเลี้ยงยากไปอยู่ที่ไหนขวางเขาทั้งนั้น พูดขึ้นมาขวางหูเขาเขาไม่เป็นมิตรกับเขาเขาก็ไม่เป็นมิตรกับเราเป็นศัตรูต่อกันแล้วการที่เราจะไปสะสะแสวงหาความสุขหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขจะหาได้อย่างไรเพราะมันไปขวางกันแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นปาฏิณนต้องคิดต้องรอบคอบการเป็นอยู่การวางตัวถ้าวางตัวไม่ถูกถมันขวางเขานะถ้าวางตัวถูกแล้วดีเราพร น, นโมทนาให้พร